ปวดีเมื่อยเหมือนกันสาหรับน้ำปีใจก็เป็นความโกรธความโลภความหลงความรักความชังความสุขความทุกข์เกิดเกิดใจเหมือนกันวันเวลาก็เหมือนกันโลกอันเดียวกันสำหรับประเทศไทยเอเชีย e แล้วนี่ก็ปีสี่สามสห้านาทีวันนี้ก็วันแรมแปดคำเดินห้า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 ไอ้วันหนึ่งหนึ่งถ้าเราหลงวันเวลาก็กลืนกินเราเสียฟรีไปแล้วมันจินไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกเวลาจินไปมันหลงถัวลืมตนเราก็พัดภาคไปตายไปเกิดไปได้ไปเปลี่ยนไหวแต่เกิดอยู่กับสมมติปัญญตาการต่า ง, าางๆบางคนก็ไม่หลงวันคืนล่วงไปไม่หลงก็กินเวลาโต ว, วันโตคืน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 ไปสู่ความไม่มีไฟถ้าเป็นสะพานก็คือเหมือนสะพานวัดป่าสุกโตข้ามฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งอาญยาวาสีอานยาวาสีเป็นฝั่งที่เจริญสติสามัจัญญะเป็นฝั่งที่ปริวิเวกไม่ปฏิโพดกังวลไม่มั่วเรีย ว, ว่าปริวิเวกสงบกายสงบปาจ่าสงบใจฝั่งหนึ่งก็ฝั่งคามวาสีเรียก ว, ว่า ทั่วๆไปชาวว่านชุมชนไปไปใครมาเสียงรถเสียงลาอะไรก็ร้อยอย่างเรียกว่าขา ม, มาวาสีเขตขามเขตหมู่ว่านเป็นเสลาหน้ารเรียกว่าเขตขามาขามจะพามาอัริยวาสีปิปิปเวกเราก็หาวิธีเลือกอยู่ได้ถ้าเรายังให้โลกมันทับถมก็ออกไปอริยวาสี เช่นว่าเรามีกติมีที่อยู่อยู่คนเดียวเพราะงั้นก็อยู่กับหมู่อยู่กับหมู่ก็เมืนอยู่คนเดียวถ้าเราปริิเวกไม่ได้ก็ปริเวกในทางรูปทางนามของเราไม่ใช่สถานที่สถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบต้องให้เราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีถ้าเราไม่เคยฝึกหัดตัวเองนี่ก็ไม่รู้ล่ะอาเรียกวอาชีคือที่ไหน ทามาวาสีคือที่ใดไม่รู้เลือกไม่เป็นถ้าเราผูกขัดแล้วเราจิู่ที่ใดก็าตามม้อยู่บนรถเมยอยู่ที่ทํางานเหมือนกันหมดแล้วก็ปริเวศของเราไปอยู่กับหมูเพราะเหมือนอยู่คนเดียวเรื่อ ง, องนี้เป็นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราผูกขัดเราไม่ผูกขัดงานชีวิตของเรามันจะมีค่าอะไรชีวิตของเรามันเลือกได้มันเป็นมากกว่านั้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 เมื่อวันโกรธมีสิทธิที่จะไม่โกรธเราก็ใช่สิทธิของเราเมื่อวันทุกเรามีสิทธิที่ไม่ทุกเราก็ใช่สิทธิของเราเราก็รู้จักเลือกกนันน้ะเพราะสิทธิของเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องทางการเมืองอย่างเวลานี้เราหลังเขาหลงสองตำบลเพื่อปั้นเขื่อนน้ำท่วมที่ทก็พาไปนั่งตั้งเต้นอยู่บนหลังเขื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิคือ อยากได้เงินสองเดือนสารเดือนแล้วก็จะไปเยี่ยมอยู่กไ็ไม่เปเลาไปนอนอยู่ที่นั่นเรียกร้องให้รัฐบาลเอาเงินมาให้ข่าน้ำ ท, วท่วมที่แต่บางคนก็ได้ไปแล้วเพราะยังไปร่วมกันอยู่เสียงานเสียการแต่บางคนก็ไม่ได้ผู้ที่น้ำท่วมอยู่ในท้องน้ำก็ไม่ได้ผู้ที่น้ำไม่ท่วมเลยยังทำไ้่ธมาได้อยู่ก็ได้ ก็ทําให้เกิดการเรียกร้องขึ้นมาเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมคนที่น้ำท่วมจริงๆไม่ได้คนที่ไม่มีนะไม่ท่วมเลยยังดีกว่าเก่าก็ยังได้เงินได้ทองก็นี่เพราะอะไรเพราะมันก็เป็นอย่างนี้โลกน่ยก็เลยทำให้มีการเรียกร้องกันไปอ่านนั่นเลยว่าสิทธิของเขาพราะนั้นก็อาเสียดื่นเสียได้หรือไม่ได้ก็ให้คนอื่นตัดสินใหญ่ แต่ว่าอันชีวิตเรามันเลือกได้ไม่มีใครมาตัดสินให้เรามันหลงเราก็เลือกเอาทางรู้ทันทีมันทุกเราก็เลือกเอาทางไม่ทุก ท, ทันทีนี่เป็นธรรมชาติปไตยมันอยู่ในชีวิตเราเอาไว้ก่อนส่วนอื่นถ้าเป็นเรื่องของกันอื่นไปเรียกว่าสิทธิของเราอาธิปไตยของเราก็ ม, มีส่วนตัวอยู่เราจาึงว่าอย่าจนเรื่องนี้กัน จะพาศึกษาจะภาปฏิบัติว่าจะมีกายวมีใจมีรูปมีนามมีธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่ขันหกเคยได้ยินไหมขันหกทีน้อยปฏิบัธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ําเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุคือช่องว่างมีในกายวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรได้นี่ว่าธาตุหกมันเหมือนกันเราตัวไง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 เป็นครูทั้งสองคนมาหาครูคนหนึ่งมาหลายปีแล้วเลิกเล่าได้มากับเมียก็เห็นว่าที่นี่พอที่จะเป็นที่หลักใจได้บ้างก็เลยชวนกันมาเออเคยไปเลิกเล่าที่อสุกโตก็พาครูคนหนึ่งติดเล่ามอมแมมเวลาติดเล่ามาเอารถเจ๋งขี่ไปโรงเรียนเอารถเจ๋งมัดจำเมื่อเมาว่าเอามัดจำเมียก็ไปถ่ายใ เมียก็เป็นทุกชวนมาว่าจะมาเลิกนีก็เราพูดให้ฟังแต่ก่อนนี้ก็ใช้ยาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ยายาการเลิกเล่าเลือบบุรีก็เอามะเฟืองตัวผู้เอามาเอาแก่นาต้มปั่นระแวกเอากำมือไปต้มใสาน้ำสามแก้วเอาแก้วเดียวกินลงไปจะอาเจียนออกจะเบื่อบุรีจะเบื่อเล่าคิดจะเล่าเวลาใดอาเจียนออก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 มาพบกันที่นี่ทั้งผัวเมียสองคู่สองคนครอบครัวกกมาถ้าตกลงอ่ะสาธุพร้อมกัน่ะสาธุอ๋อมันมันเบากินไปสาธุแรงกว่า น, นี้สาธุอีกกัน <c oughs> เลย <c oughs> บางกับบางเลยอางทีก็อาศัยกำลังใจก็มีแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเรามาทำอยู่เนี่ยก็ต้องไม่มีอะไรแหละพอแล้วพร้อมแล้วพวกเราชีวิตเรามันหลงก็บลูกให้เรารู้ไป ใครจะมาจากไหนจะไปยังไงจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีอันรู้เหมือนกันมามีความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นละมัดนละวังความหลงเหมือนกับเราเป็นยามเฝ้าบ้านเป็นยามเฝ้าบริษัทระวังจะปืนจะปีด จ, จ้องถ้าใครมาละกากลุ่มพร้อมที่จะป้องกันไม่เกิดตั้งขึ้นมา น, นันเป็นยามมันก็ลำบก า, ากอราจะเบื่อหน่าย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 อันมันหนักก็ต้องหาสิ่งที่ช่วยมันง่วงเหรอมันง่วงเรอมันหนักหรือาออุปกรณ์ช่วยเหมือนเรายกของก็มันหนักก็หาวัตถุอุปกรณ์ช่วยตอนช่วยควมงม่วงไม่มีใครช่วยเราตอนช่วยของหนักที่เป็นวัตถุอาจจะมีวัตถุอื่นหรือสิ่งอื่นมายกมางัดขึ้นมาถ้ามันง่วงอ่ะก็ออกแรงแรงเพื่อไหวแต่นั่งอยู่บนง่วง ก็เอาท่าใหม่อย่าไปนั่งคอตกอย่าไปนั่งอ่อนแดเหมือนคนขับรถบางทีเขาง่วงเขาขับช้ากันไปบึ้งแรงๆสักก็หายง่วงได้ใช่ไหมบางทีเขาวงงเออเขาช้ามันง่วงเอาแรงๆก็มือมือมือเก็หายง่วงได้ทีเราก็ออกแรงจะหน่อยยกบือทุบเข่ายิ้มยิมปลุกตัวเองขึ้นมาเอาลุกขึ้นมาถ้ามันนั่งอยู่มันง่วงลุกขึ้นเดิน ไม่ใช่ย่องเดิตนตบเท่าเลยโต้มันดีมันไม่ง่วงเพราะมันง่วงทําไปไม่ยอมมันบางคนง่วงหลับตาปี่อ๋อตกสับุงโงกอยู่สองรอบสามรอบก็ยังนั่งสับปงโงกอยู่ไม่แก่บังก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่มันจะมีไม่กี่ครั้งมันก็ผ่านได้ถ้าเราหัดอ่ะนี่ก็มีวัตถุประกอบอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราหามามาช่วยตัวเองไม่เยอะแยะ ในชีวิตเราพร้อมแล้วพร้อมเจ็ดละความชั่วพร้อมที่ทำความดีอยู่แล้วไม่จนในเรื่องนี้แน่นอนเรียกว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสุขวันจปะปฏิบัติผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรม ท, ที่ควรรู้ควรเห็นเป็นดัจันีชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรจะสร้างสารรค์ชีวิตเราเท่ากับธรรมชาติสร้างมาในชีวิตเราทั้งหมด ก็โรงงานรีไซเคิลก็อยู่ที่นี่ของเสียทําให้เป็นของดีไะกินเหล้าตับปอดท่านใช่ไหมแอนโกร์เป็นโรคเยียนเพราะแอนโกร์เปนเป็นอันตรายตับจะต้องต่อสู้เป็นทหารเดีวหน้าเพื่อให้มันดีขึ้นมาเมื่อกินไปปกติกินไปมันก็ลบบ่อยๆถูกกระทบบ่อยๆแล้วก็เกิดตับแข็งเมื่อเหมือนมือเหมือนเท่าเราเนี่ยเยียบดินบ่อยๆก็แข็งด้านไปเลยตับแข็งนันไม่เหมือนฝาเท่าเรา กลายเป็นของอันตรายไม่มีพลังงานมันด้านก็เกิดโรคได้มันรีเซ็คเกิลไม่ไหวสูบุรีกินเล้าหือจะโกรธกระทบอยู่เรื่อยจิตใจนะั่นก็ไม่ไหวคนนีสจะก็โลกกระพะ อ, อาหารได้สุภาพเสื่อมโฉมจะปล่อยอย่างนั้นเลยชีวิตเรามาจะมาฝึกขัดตัวเองนะ่ะฝึกฝนตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเรามานี่ทาไมมาเป็นกันระยาเด็กกัน ว่าบัดดีอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปใจเป็นคิดเป็นพุทธเป็นอิสลามมาอันเดียวกันแม่ประเทศชาติในอย่างหลงพ่อพูดวันนั้นนะถ้าพวกเราเสื่อมงิหมดอิสลามมาเสื่ อ, อถ้าหลวงพ่อยังไม่ตายหลวงพ่อเป็นอิสลามถ้าคิดมายึดบังคับไม่เป็นคิดนุ่งชุดใหญ่ๆก็จะเป็นคิดแต่ว่าจะสอนเรื่องนี้หรือตายไปมีผีมีเปรตถ้ายังมีรูปมีดำจะสอนเรื่องนี้ไม่สอนเรื่องอื่นจะพูดเรื่องนี้ จะบอกดังนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรามีรูปทำมีนามทำเอารูปาธรรวอานามเพื่อทำความดีไม่แช่รูปวานามเพื่อทำความชั่วจะมีอยู่เท่าไหร่ก็จะทำความดีไม่ทำความชั่วมีกายเป็นรูปมีนามคือใจมันรู้อะไรได้เป็นถ้าตรูปเรียกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยอามาทํามันใช่ได้เอามาทําดีก็ดีทันทีทําชั่วก็ชั่วทันทีไม่น่าจะทำความชั่วเพราะมันชั่วทันที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 ย่างตกลมนี่มันไม่ยอมจมลงไปมันถอนขึ้นมาชีวิตเราตกลมมันหลงมันทุกข์มันโศกมันลักมันจังมันตกลมไปถอนขึ้นมามันถอนได้บางคนไม่ยอมถอนเขาว่าเราทําไมทําไมเขาจึงทําอย่างนั้นทําไมจึงพูดอย่างนี้มันน่าจะพูดอย่างนั้นมันน่าจะพูดอย่างนี้มันหมกลงไปมันจมลงไปเป็นโทชาจิตเป็นนิสัยไปเลยเพราะฉะนั้นเราจึงมาหัดให้มันรู้มันรู้เนี่ยให้ได้นิสัยใหม่อังวันเดนิสยังยิจามิ ขอให้ใจแบบพิมพ์แบบฉบับของพุทธเจ้ามาเข้าพิมพ์มาเข้าแบบมันหลงกับลูกเนี่เข้าแบบถ้ามันหลงหลงไวไม่เข้าแบบเป็นขยะไปเลยเหมือนหล่อเสาหล่ปูลจะเอาโสกลมต้องเอาแบบผมผมเอ า, าย้ต้มทํากติชื่อท่อใยหินมาขนาดไหนก็เอาเทปูนลงไปเข้าเป็นรูปกลมถ้าเอารูปเหลี่ยมก็ชื่อไม้มาสามสี่แผน่นตีเป็นแบบแตีใส่ลงไป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 มาหล่อด้วยมาสอนแรงมาตกแตง่งเหยาแบบเปรตแตบบ่ปัจจุบกายแบบจัดเตลเดชานแบบสรดนรกแบบดีๆแบบพระรู้สึกตัวรู้สึกตัวผู้ใดมีสติเป็นหน้าโลบผู้นั่นเป็นพไคร์นาศพไคร์นาศคือพระอรหันต์มีสติเป็นหน้าโลบไม่ใช่นุ่งกางแจงสีนั่นสีนี่อยู่โน่น อ, อยู่นี่ไม่ใช่อันนั่นเป็นสมมุติบัญญัติอัปรมัาจารจะมันอยู่ที่เรา เขาอยู่ที่กางกระทาของเราเข้าแบบให้ได้เนี่ยจะเป็นชิดก็จะสอนล้วเนะี่ยจะเป็นช้ก็สอนเราเนะี่ยจะอยู่ที่ไหนก็สอนล้วเนะี่ยเคยไปกับชิดสมัยหนึ่งอะ่ะเป็นเพื่อนกันกันกบบาทหลวงเขาไม่มีภาวนาเขาให้เราไปสอนภาวนาบางคนก็เอาแล้วเพราะเขาเขียนน่ะไปเข้าชิดแล้วก็ <laughs> <c oughs> มีกันเราไม่ได้ไปเข้าเราจะไป <S <S สอนกันเอาธรรมะเนี่ยมันก็ดี ไปสอนพ่อคิดก็เคยไปไปสอนบาดหลวงเคยไปน้องเรียนบาดหลวงที่มหาวิทยาลัยพะเยเชียงใหม่ไปสอนน้องเรียนบาดหลวงมีบาดหลวงเขามีโคอชของเขาเขามีสายของเขาเขาไปสอนไปฟิลิปปินส์ไปดูงานก็ไปอยู่กับบาดหลวงเขาไปดูของเขาการพศาสนาของเขาคือทอํางานวิธีการสอนเขาก็ดีเขาเรียกว่ายาปักยาปักคเทอะไรถ้าจะไปดูจ น, จนยากจนต้องไปอยู่กับเขา ไปดูชุมชนที่สาอดีเขาไปอยู่บเขาไปจุ่มดูมันจะขนาดไหนความจนได้วิวกับพวกซ า, า, า, าไกลหรืออะไร่เตี้ยๆเท่าน่ะซากลชุมชนชาไกลชุมชนชาวเขาก็าไปอยู่กับเขาดูเขาอยู่ยังไงพวกชาวเขาเระวซ า, าไกเงาะเมี่ยเป็นชุมชนใหญ่มากประงาะซาไกลเขาไปอยู่เขาเราสมัครไปอยู่กับชุมชนยากจนเอาให้ไปอยู่กับสลําบ้านสลําเขาใครเคไปอยู่กับพวกสลําที่นีน หลวงพ่อเคย่ปประเทศฟิลิปปิน์นะเขาให้เราไปอยู่กับจะลญลำไปด้วยกันสามโลกพระผู้มีอายุเหมือนกันแล้วก็ให้ที่พักได้น้อยหลังเดียวผา ก, ก็เป็นไม่ขยะขาดบ้างไม่อัดตะลุถลวงบ้างตีฝาหลังคาก็ปะแล้วปะออกไม้อัดก็ทำหลังคาได้โผล่เวเ่ยวเวไปกระถังใส่ห้องน้ำก็วากวากแบง่งแบ่งขาดขาดเขาเจ็บมาจากถังขยะ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 เราเข้าห้องน้ํำยังไงเราอยู่นี่คืนหนึ่งโอคล่าหน้าแปงฟันแต่เราก็มีน้ําดื่มในขวดน้าเราก็เตรียมแบ่งวางแผนแช่ห้องน้ำเงื่อไหลขย้อยนั่งรถไปแล้วก็อยู่ในหุบเขาบ้างอยู่ในหัวเขียวต่ําๆเดินขึ้นเดินลงไม่ใช่มีใครไปทําถนนทางให้ปีนขึ้นมาเดินขึ้นไปแล้วก็วางแผนเข้าห้องน้ำดูโอ้ยเงื่อไหลขย้อยจะอาบน้าไงเนาะไม่อาบน้ําไม่ได้ มันร้อนเหลือเกินเฮ้ยอย่าอาบน้ำพวกเราหน้ามีน้อยๆจะหล่อใช้ห้องน้ำซะถ้าอาบน้ำกนันแบบนี้ที่น้อยกลูกลงไปเอาฝ้าบาทเป็นหมอนเอาสังกาติวางบนฝ้าบาทนอนตะแคงหนีจากผ้าผืนนี้ไม่ได้ให้บรรจงที่สุดถ้าเราไปนอนเสือพมโง่หรอนอนม ไ, ไม่ได้มนแมนสาเป็นเชื้โลกด้วยพอนอนก็นอนม ไ, ไม่ได้มันเงยไหลไปขโมยอาบน้ำพอเพื่อนนอนแล้วโอ้ยกระดูกกระเดกกระดูกดเราไม่กระดูกกระเดก พอนอนเราก็มยไปอบน้ําแล้วก็มีเขี้ยวน้ําสแตนเลสมีหูไปวางแผนดาบน้าตั้งสติดีๆเราจะอาบน้ำห้ากระป๋องน้อยๆเท่านี้ลองดูทาได้ไหมทําได้เราจะพยายามไม่กระทบประเทือนน้าห้ากป๋องนะลองดูในชีวิตเด้อพอนั่งลงก็อาบน้ําตักน้ำเทใส่หัวถูสบูไส่ไวปถูสบู่ไปเอามือลูบน้ําผาไป กระปองนึงเกือบทั่วแล้วลูสบสบู่ไปก็นั่งถูสบู่นั่งถูตัวเล่นไปพอมันเปียกไปถูสบู่เจ้วที่สองมาล่าแต่ก็ะโลกไปยังลื่นลื่นสบู่ยังวอกอ้าค่อยลูบไปลูบไปหมดสองแก้วผูสบู่เกือบครึ่งหนึ่งแล้วเกือบเตเจ้าที่สองถ <c oughs> ูสบู่ฟืดเลื่อนไปฟืดเล้วอนวถูสบูเอ้ปสี่แก้ว ต้องได้แน่นอนพอห้าแย่เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยมานอนให้บอกเพื่อนมันก็ไม่กระทบกระเทือนอ่ะไปจุ่มแบบนี้เขาเรียกว่าหยาบปักนะจา๊ะคิดเขาไม่ใช่เราไปดูเขเฉยไม่ได้สัมผัสอะไรมันยากกันไหนมันลําบากยังไงไปจุม่มหรือว่าหยาบปักการมาไปฏิบัติตทำแน่มาจุม่มไม่ใช่ลูแล้วละ่ะยกเบอรงจังหวะสิบสี่จังหวะทําเป็นแล้วเตือนยังก้ม ไม่ต้องแกงแขนกอดหน้าอกหรือขัดหลังหรือจับหน้าท้อง่อยกันไหวทำเป็นแล้วสุกตโตสอนอย่างนี้ไม่ใช่จุ่มตอน่มาจุ่มนี้ต้องมาลู้เป็นหลงจุ่มดูความรู้จุ่มดูความหลงมันมีความหลงก็มีความรู้ก็มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีจุ่มลงดูทำได้ไหมเหมือนเราอาบน้ำเยี่ยวใช่ไลองดูมันจะทั่วไหมมันทาได้ไหม จุ่มลองดูมันหลงรู้ดได้เสียหายหรือมันหลงไม่เสียหายอาบน้ําได้หรืออาบได้อาบไม่ได้หรืออาบไม่ได้ไม่เอาตรงนั้นเราทําลองดูไปจุ่มลองดูก็เรียว่าจุ่มลองดูเอากายเอาใจมาจุม่มมันมีสิ่งให้จุม่มดูมันมีเรื่เห็นมันเห็นอยู่ไม่ใช่หามันแสดงออกมาดีดีการศึกษาธรรมะมันฉายออกมาเหมือนโจ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 อหอมเรื่องพระเบสันดอนอยู่ที่หลองคายการหาซาลีก็เป็นเด็กน้อยจริงๆริงพราหูชกก็เป็นแต่งตัวเหมือนพรหมณ์แต่ว่าคือพรหมณ์แต่ว่าไม่รู้พราหมณ์ยังมาคือไปขอการหาซาลีพอได้ก็พอหลุดจากมือพระเวบสันดอนก็ตีเลยตบลงไปการหาซาลีก็ร้องให้พระเบชันดอนก็นั่งอยู่ถ้าบ่อยให้เขาตีลูกตัวเองต่อหน้าต่อตาพระเวบสันดอนชี้ยังไง ต้องไปช่วยใช่ไหมไปช่วยเพื่อจะนอนนั่งดูเฉยจะทําได้ไหมพวกเราขนาสซาลีก็เป็นเด็กเน่ยพรามจับไปแล้วยังไม่ไปถึงไหนขนาดซลีก็กลัวลร้องไห้เพื่อพรามทุกซกตีเลยเขี้ยนตีเลยเพื่อจันอนนั่งดูเพื่อจะนอนชี้ไงถ้าปริทัศน์ตลองดูเพื่อจะลองอมมองดูโอพรามเมืม่อมอบันหาสซลีให้เขาไปแล้วมันต้องอยู่ในอำนาจของพรามมันจึงจะปลอดภยัย ถ้ามาไม่กลัวพราม์มันก็ลักหนีกลางดงกางป่าจะไม่ถึงกุงศรีพีดีแล้วเพราะจะได้เชื่อฟังพราหมณ์มองแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่งมองแบบโกรธไม่พอใจเลยถ้าคหาจลีเชื่อพราหม์กลัวพราม์ที่ไม่นนไหนีไปไหนอยู่ในอำนาจก็จะไปถึงเมืองศรีพีไปถึงเมืองปู่ปูก็จะได้เอาหลานน้อยไว้ พระเวชนนทก็วางแผนจะต้องมาดค่าราคาแพงมากความโชชกเอาเด็กไปใช่หรือไปให้อามิตตาใช่หรือมันใช่ไม่ได้เด็กน้อยโชชกก็ต้องมีปัญญาเอาไปขายให้ผูกเอาเงินไปอจ้างคนมาสร้างอะไรก็ได้สร้างร้อยปัวร้อยม้าร้อยเงินร้อยทำร้อยอะไรมีแต่ล้านร้อยห้าร้อยเป็นเศรษฐีกันดีเอาไปขายใครจะซื้อได้มีแต่ ไปเจ้ากรุงสนไทยที่ชื่อคันหาสารีได้ก็ต้องไปที่นั่นผมก็เอาไปที่นั่นจริงวางแผนไว้แต่ต้องไปขายให้เจ้ากรุงสนไทยว่าเราได้เงินจะเอาเงินไปสู่อภิตะตาหอบเ่อนไปก็รวยแล้วเร า, าพระวเจนนนวางแผนไปจริงๆไหมไม่ใช่โทษทิคนะถ้าอยู่ในป่าในดงอะคันหาสารีเป็นลิงเป็นข้างเอาอย่างลิงบ้างเอาอย่างกวงป่าไม่มีใครสอนพิมพากัจจี ก็ไปหาเตยหมากมาปล่อยกันหาจารีเล่นกับพระเพรจันยนเหนืออสมปากกันไว้แล้วพระเพรจันยนก็เอาแต่นั่งบำเพ็ญภาวน า, ากนหาซาลีก็เอาอย่างเลีงบ้างเอาอย่างเข้งเอาอย่างขวงได้นใจไปโอ้ยไม่ได้เล่าเรียนก็ โ, โชคดีพามาเอาไปวางแผนทันทีเลยจะให้ไปศึกษาเรียนก็ถึงกรุงศรีปีพระเจ้ากรุงจะใชใส่หลานไว้เลย พอถ่ยร้านได้อพรามณ์ชกก็รวยพวกบริวารพวกไผ่ฟ้าประชาชนก็เลี้ยงความณ์ินอาหารอย่างอะไร่อยกินเอาเยาวท้องแตกตายท้องแตกตายพระเจ้ากุงสนใจประกาศให้ญาติของพราหมณ์ชูชกมารับเอ้าสมบัติทั้งหลายประกาศไปมางไหนมันไม่มีใครมารับอมิตะตาไปไหนอมิตะตาก็วางแผนให้ชุชก อามิดดาาคือใครอามิดเนี่ว่าไม่ใช่อนี่เป็นเอาหผัวใหม่ใช่ไหมก็บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อแล้วอามิดดาดไม่มาเอาทรัพย์สมบัติเลยอาสมบัติทั้งหลายก็กลับคืนสู่พระครังได้อันนี้เรียกว่าปาริทัดหลงดูมันเป็นอย่างนี้ทีนี้่คนดูหมือล้มเนี่ยเห็นเขาตีกันหาจรี <c oughs> น้อ ย, อยกูดมันมาจะตีขนาด น, นี้เลยจับมาจริงๆนะกัญหาจลีตัวได้ก็ร้องไห้ คนดูก็สงสารนะซาลีแม่เท่าคนหนึง่งขายถั่วอบอยู่หน้าเวทีจับไม่คานขึ้นไปไตี <c oughs> น, นีไปแสดงเบรอ <S <S จนความโชกๆกับนั่งวิ่งเข้าขหลังเอ้คนใหญ่คนใหญ่เขาแสดงใฉ่ๆหรครับไม่ใช่ตีจริงๆหลองไปลงไปมันแสดงไหมล่ะยายโกดโชกๆนะนั่นไปแสดงกับเขาไปสงสารจนน้าตาไหลไปหัวเราะจน อะไรต่างๆมันแสดงชีวิตเรามันแสดงให้ดูเครเคยแสดงกับรูปกทำนา้ำทำบาปมันปวดก็แสดงเป็นคนปวดความโศกก็แสดงเป็นความสุขคันทุกข์ก็แสดงเป็นความทุกข์มันโกรธก็แสดงเป็นคนโกรธดูมันเรียกว่ามาดูให้มันเห็นถ้ามันเห็นพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นมันทุกข์ก็เห็นทุกข์มันเป็นของประเสริฐอย่างเนี้ยพวดในฟังเรื่องของเราในแบบ ใครมาจากไหนเหอ่อเถินเดินผ้ามาใครดำดินบินบนบ่าข้อศนเรืงนี้จะอยู่ที่ไหนเขาพูดเรื่นี้เพราะนั้นเราก็มาศึกษาดูอย่ามมาเชื่อเราทําดูมันรู่จริงไหมมันหลงจริงไหมอันรู่อันหลงอะไรมันเป็นธรรมมันเลือกได้ไหมเราไม่ฉินเลือกได้ไหมต้องรู้จักไม่ใช่เราโง่มีปัญญาไปในตัวมีฉินไปในตัวมีสมาธิไปในตัวถ้าเรามีสตินะเอาพูดใน้ฟังดีใจ <N ic> um> นี่ว่าจะมีใครได้วันนี้กหมอก็กลับไปอ้ยที่นี่ก็เห็นแต่รอยพวกเรานะพวกเราอยู่นี่เป็นผ่านลงเป็นกรรมกรเป้าให้มาเถอะพวกเราพวกไม่เดือดร้อนอะไรมากมายถึงเคยสะดวกสบายก็มาลองทุกๆุกยากยา ก, ยากลองดูเอาไม่ไหวรอกสุโกโตงแย่ที่สุดเลยไม่ต้องแย่ไม่เป็นไรว่าอย่างนี้หิวข้าวบ้างก็ไม่เป็นไรลาบากบ้างก็ไม่เป็นไร เอาไม่เป็นไรผิดบ้างไม่เป็นไรรูปบ้างไม่เป็นไรอย่าไปเอาดีเอาไม่ดีมันผิดก็หัวลความผิดมันทุกหัวโลความทุกข์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้เอาว่าไม่เป็นไรเนี่ย <come> ม <into ghosts> ันด <positives> ีแล้วมันหลุดพ้นแล้วมันหลงก็ไม่เป็นไรมันผิดบ้างหลมบ้างไม่เป็นไรทําไปอย่นี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะอย่าไปเอาผิดเอาถูกนะอย่าไปโชตุทุกข์